สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสควลมหาสังฆปริณายกอันหนึ่งกิเลสชันละเอียดนี้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 ก็ส่งเคราะห์กับราคะอนุสัย 2. ภาวาสวะอสวะคือพบได้แก่ภาวะคือความเป็นเขานีสสัพไม่กลมเกินกับปฏิฆะอนุัยนะแต่ก็พออธิบายให้เข้ากันได้พบแปลว่าความเป็นปฏิฆะแปลว่ากระทบเมื่อมีพบคือความเป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเรา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 ปฏิฆาอนุสัย 3. อวิชชาสวาอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้จริงก็ตรงกับอวิชชาอนุสัยเมื่อทราบถึงด้านเศร้าหมองคือด้านกิเลสเหล่านี้แล้วก็ควรจะทราบพิธีที่จะทําทให้ผ่องแพ้วโดยสังเขปเมื่อจักกิเลสเป็นสามชั้นจะขัดสีกิเลสชั้นยากคือวิติกรมะกิเลสก็ทําได้ด้วยหลักข้อที่หนึ่งคือ ไม่ทําบาปทั้งปวงในต่อมาก็จะเป็นศีลสิกขาสิกขาคือศีลกิเลชั้นกลางคือปริยุกทธฐานกิเลสจะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่สองคือทํากุศลให้ถึงพร้อมต่อมาก็จัดเป็นสมาธิจิตตาสิกขาสิกขาคืออบรมจิตให้เป็นสมาธิในหลักข้อที่สองนี้ควรสังเกตการใช้คํา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 ก็ด้วยอาศัยหลักข้อนี้ซึ่งต่อมาก็สงเคราะห์เป็นปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาหมายความว่าต้องอบรมปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงปัญญานี้เท่านั้นจึงจะขับไล่อนุสัยกิเลสหรืออสวะกิเลสให้สิ้นไปได้และการอบรมปัญญานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงแล้วดังเช่นในอนัตตะลัคนาสูตรและในอาทิตตปริยายาสูตร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 การไม่ว่าร้ายอนุปาคาโตการไม่ทำร้ายปาติโมเขจะสังวรโรความสำรวมในพระปาติโมมัตตัยุตาจะพัตสมีความรู้ประมาในพัฏปันตัญจัศยนะสนังที่นอนที่นั่งอันสงดอธิ จ, จิตเตจะอาโยโคความประกอบในอธิ จ, จิตคือจิตยิ่ง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 มีพระทุศีลมาปนอยู่ด้วยพระโมคคัลลานะจึงได้เที่ยวตรวจดูเมื่อไปพบภิกษุที่ทุศีลก็บอกให้ออกไปจากที่ประชุมผู้นั้นก็ไม่ยอมออกไปต้องฉุดแขนออกไปแต่ก็สว่างเสียแล้วพ้นเวลาที่จะทำอุโบสถก็เป็นอันว่าในอุโบสถนั้นไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าจึงทรงป้ารบเรื่องนี้ตรัสให้พระสงฆ์ยกเอาพระวินัยที่ทรงมัญญัดขึ้นไว้ มาสวดเป็นปาติโมกแทนและให้พระสงฆ์สวดกันเองพระพุทธเจ้าไม่เสด็จลงมาทำอุโบสถบ ร, ร่วมด้วยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีการยกเอาวินัยขึ้นสวดเป็นปาติโมกทุกๆสิบห้าวันสืบต่อมาจนบัดนี้ปาติโมกที่ยกวินัยขึ้นสวด น, นี้เรียกว่าวินัยปาติโมกทักสินานุปทานครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงบาเพ็ญกุศลพักสินานุปทานในพระพุทธศาสนาได้ทรงอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปในพระเนิเวศทรงถวายพัตตานาและทรงถวายทตยธรรมมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงอุทิศกุศลที่ทรงบเพ็ญนั้นแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพาษิทอนุโมทนามีตอนหนึ่งที่พระได้นามาใช้สตรอนุโมทนาในการทำบุญเกี่ยวกับทักษินานุปทานมีว่าอทาสิเมอากาสิเมเป็นต้นที่มีคำแปลว่าญาติก็ดีมิตรก็ดีระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในการก่อนว่าท่านได้ให้แล้วแก่เราท่านได้ทำแล้วแก่เราท่านเป็นญาติ เป็นมิตรเป็นสาขาคือเป็นสหายของเราดังนี้พึงให้ทักษิณาเพื่อเปเทชนไม่พึงทําการร้องไห้เศร้าโศกรำพันถึงเพราะการทําอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เปเทชนญาตทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเองส่วนทักษินานี้ที่ท่านทั้งหลายบริจาคทําให้ตั้งไว้ดีแล้วให้สงย่อมสําเร็จประโยชน์แก่เปเทชนนั้นโดยฐานะสิ้นกาลนาน ท่านทั้งหลายได้แสดงยตาธรรมนี้ด้วยได้ทำบูชาเปโตชนให้ยิ่งด้วยได้เพิ่มกำลังแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเป็นอันได้ทำบุญไม่น้อยนี้เป็นความย่อในเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารทรงบาเพ็ญทักษินานุปทานนับว่าเป็นครั้งแรกที่ปรากฏในคมภีพระพุทธศาสนาคําว่าทักษิณานุปทานแยกออกเป็นทักษณิณกับ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 เปตาแปลว่าผู้ที่ลาไปแล้วคนที่ตายไปแล้วพรีก็แปลว่าการสละให้แปลรวมกันว่าการทำพลีคือการสละให้เพื่อผู้ที่ลาไปแล้วในการก่อนอีกอย่างหนึ่งปุระเปตะแปลว่าปุรภาบิดรตามนธิพรา์บรรพบรุษที่จะจัดว่าเป็นปุภาเปตะหรือว่าปุรภาบิดร น, นั้น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 เกรงว่าจะไปเกิดในพบในชาติที่อดยากจึงทาบุญอุทิศให้ใครมีความเชื่ออย่างใดก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทาบุญอย่างนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศรัทธะในภาษาบาลีหรือสารัทธะในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าศรัทธาดังที่เรามาใช้ว่าสารัทพรลก็คือวัดหรือการปฏิบัติด้วยศรัทธา ก็คือการปฏิบัติด้วยมีความเชื่อว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผลจะไปถึงแก่ผู้ตายในรัฐทิของพราหมณ์นั้นเขามีวิธีเส้นด้วยกรวดน้ำและด้วยให้ทานการเส้นนั้นเส้นด้วยก้อนข้าวแก่บุรภาพิดรสามชั้นดังที่ได้กล่าวแล้วเรียกว่าสปินทะแปลว่าผู้ร่วมก้อนข้าวนอกจากบุรภาพิดรนสามชั้นนั้น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 เพื่อว่าญาติผู้ตายไปแล้วจะได้มีอาหารบริโภคและจะได้มีผ้านุ่งห่มใช้สอยการเส้นด้วยข้าบิณฑ์ที่เรียกว่าสปินทะนี้ก็ติดมาในธรรมเนียมไทยเช่นในวันตรุษวันส์ก็ใช้ใบตองทำกรวยใส่ข้าวลงไปแล้วก็วางลงบนผานเป็นต้นมีกับข้าวหรือสิ่งที่เป็นอาหารตั้งรอบๆการกรวดน้านั้นก็น่าจะติดมาในธรรมเนียมไทยที่ใช้กรวดน้าด้วย การเทน้ำเป็นการแสดงกิริยาว่าให้อย่างหนึ่งทั่วๆไปดังที่เคยอธิบายมาแล้วแต่ว่าที่เรามาใช้กรวดน้ำนั้นอาจจะติดมาจากธรรมเนียมของกรามดังกล่าวก็ได้แต่ว่าไม่ได้มุ่งว่าจะให้น้ำที่เทลงไปนั้นไปเป็นน้ำสำหรับญาติผู้ตายไปแล้วจะได้บริโภคเราใช้ตั้งใจอุทิศส่วนบุญไปให้ในขณะนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงกิริยาว่าให การกรวดน้ำของพระนั้นเรียกว่าสมาโนโทกเป็นการให้แก่ญาติแปลว่าเป็นผู้ร่วมน้ำกันคราวนี้มาถึงพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมิสารทรงมีพระราชบารมอย่างไรจึงได้ทรงบำเพ็ญทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนาพระอัตฉริยจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าพิมิสารทรงเลี้ยงพระในวันที่ถวายพระเวรุวันนั้น พวกญาติของพระเจ้าพิมิสารในอดีตชาติที่ทำบาปทำอกุศลไว้ไปเกิดเป็นเ ป, นเปนตะที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าเปรตพากันไมออยอยู่มากมายคิดว่าพระเจ้าพิมิสารจะทรงอุทิศสุกสุศลไปให้บ้างแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครระลึกถึงเป็นอันว่าญาติเหล่านั้นไม่ได้รับส่วนกุศลตกเวลากลางคืนก็มาทำเสียงเปรตพระเจ้าพิมิสารได้ทรงสดับเสียงที่น่ากลัวนั้น เมื่อทรงหัวระลึกจึงได้ทรงมีพระราชบารมจะทําบุญอุทิศให้และก็ทรงบําเพ็ญทักษิณานุประทานดังกล่าวนั้นทรงบําเพ็ญในรุ่งขึ้นจากวันที่ถวายพระเวรุวันท่านพระคถ า, าจารย์ท่านเล่าไว้ดังนี้พิจารณาดูตามเรื่องพราหมเก็มีวิธีบําเพ็ญทักษิณานุปทานบําเพ็ญอุพภะเปตพรีทําสราทัทะพรถ ด, ดังกล่าวมาแล้ว การบำเพ็ญในพระพุทธศาสนาก็ควรจะมีบ้างแต่ว่าการบําเพ็ญในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องแผ่ใจไปคือไม่มีการเส้นและไม่มีการอุทิศน้ํานั้นให้มีแต่การบําเพ็ญทานในพระภิกสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและก็อุทิศส่วนกุศลที่บําเพ็ญนั้นไปให้ลัธิพราหม์เขาจํากัดให้แก่บุพราบิดรคือญาติชั้นผู้ใหญ่นับขึ้นไปสามชั้นดังกล่าว และญาติที่นอกจากนั้นแต่ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้แก่ใครๆก็ได้ทั้งนั้นดังในบทอรุโมทนาที่แปลมาแล้วเมื่อระลึกถึงอุปการะของบุคคลที่ล่วงไปได้ทำไว้จะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนก็ตามก็ทำบุญอุทิศไปให้ได้ไม่จำกัดอยู่ในวงแคบไม่ปัญนชั้นว่าจะต้องเป็นบุปผารวิดอ์เท่านั้นจึงจะกินข้าวได้ถ้าญาตินอกนั้นกินให้แต่น้าเท่านั้น คือว่าบุรพาบิดอนสามชั้นนั้นเป็นสปินทะกินข้าวได้นอกนั้นก็วักน้ําขึ้นให้กินแต่น้ําแต่ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้ได้ทั่วๆไปจนถึงแก่สรรสัตวและพระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุโมทนามีบทที่เป็นกลม็ดอันเกี่ยวแก่ทานพึงพิจารณาก็คือว่าสําเร็จได้โดยฐานนะท่านว่ายอย่างนั้นก็แปลว่า ถ้ามีฐานะที่จะถึงที่จะสำเร็จก็สำเร็จได้ถ้าไม่ใช่ฐานะก็ไม่สำเร็จและได้ทรงอธิบายน้อมเข้ามาในปัจจุบันผลที่ผู้บำเพ็ญ น, นั้นเองจะพึงได้รับและผลที่ผู้รับทานจะพึงได้รับดังที่ว่าผู้บาเพ็ญ น, นั้นเองนั้แสดงญาติธรรมให้ปรากฏเช่นแสดงให้ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีกระตันยูกระเวทีและได้ปฏิบัติพอสมควรแต่ทำบูชาเปตชน คือได้แสดงความเคารพนับถือต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ได้เพิ่มให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายได้บังเพนบุญไม่น้อยก็เพราะว่าได้ทำทานทรงแสดงให้ผลปรากฏแก่คนเป็นซึ่งให้สำเร็จประโยชน์ที่เห็นกันอยู่ส่วนที่จะถึงแก่คนตายนั้นก็จะสำเร็จโดยฐานะคราวนี้คำว่าฐานะคือที่จะพึงสาเร็จได้กับอฐานะคือที่สาเร็จไม่ได้นั้นมีพระสูตรหนึ่งแสดงไว้ว่า มีพรามคนหนึ่งชื่อว่าชาณุสโสนิได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าพวกพรามพากันให้ทานทำสราธท ะ, ทะหรือว่าสรา ท, ทะพรษด้วยตั้งเจตนาอุทิศว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติสาโรหิตผู้ละไปแล้วขอญาติสาโรหิตผู้ละไปแล้วจงได้บริโภคทานนี้ทานที่ทํานั้นจะสำเร็จหรือไม่และญาติสาโรหิตผู้ลไปแล้ว จะได้บริโภคหรือไม่ในพระสูตรนั้นได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสําเร็จในฐานะไม่สําเร็จในอัานะไม่สําเร็จในอาัถานานั้นก็คือคนที่ทําอากุศลกรรมบทสิบไปเกิดเป็นเนลยิกะคือสัตว์นรกก็ดีไปเกิดเป็นกําเนิดดิจิชานก็ดีหรือว่าคนที่เว้นจากอากุศลกรรมบทสิบไปเกิดร่วมมือกับมนุษย์ก็ดีกับเทพก็ดี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 จำพวกนี้เท่านั้นจึงเป็นฐานะที่จะได้รับผลชานุสโสนิพรามก็ถามว่าถ้าญาตสารหิตที่อุทิไ้นั้นไม่ไปเกิดในปิติวิสัยใครจะได้รับผลในพระสูตก็กล่าวว่าได้ตรัสตอบว่าญาตสารหิตอื่นๆจากนั้นก็จะได้รับผลเพราะว่าที่จะว่างจากญาตสารหิตของใครเลยนั้นเป็นอันไม่มีชานุสโนิพรามก็ถามต่อไปว่า เมื่อไปเกิดในอาถนะคือในกำเนิดที่จะไม่ได้รับผลจะมีข้อปริกับอันใดบ้างที่เขาจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งตรัสตอบว่าเขาก็จะได้รับผลของฐานที่เขาทำไว้เองเช่นว่าถ้าเขาได้เคยบาเพ็ญฐานไว้เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นมา้าก็จะไม่ใคร่จะอดยากมีน้ามีข้าวมีอาหารอะไรบริบูรณ์เมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพก็จะไม่ขาดแคลนมีสิ่งที่ต้องการบริบูรณ์ก็เป็นผลของทานที่เขาทำไว้นั่นเองซึ่งสรุปลงว่าทายกคือผู้ให้ผู้บริจาคนั้นจะไม่ไร้ผลเมื่อสรุปลงแล้วมติทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่าการบำเพ็ญทักษิณาที่จะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้รับไปแล้วนั้น 1. ทายกทายิกาคือผู้ให้ผู้บริจาค จะต้องตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้จะใช้น้ำกรวดหรือไม่ใช้น้ำกรวดก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ 2. ผู้ที่ละไปแล้วนั้นไปเกิดในปิติวิสัยดังกล่าวและได้ทราบได้อนุโมทนาคือบันเทิงยินดีในการบําเพ็ญกุศลของญาติในโลกนี้และ 3. จะต้องถึงพร้อมด้วยทักขิณในยาบุคคลคือบุคคลผู้ควรทักษิณาถ้าในศาสนาพราหมณ์ก็พวกพราหมณ์ เป็นทักษคนยะคือผู้ควรทักษินาของเขาทนพระพุทธศาสนาก็หมายถึงพระพิสุกสงฆ์แต่ว่าการบัมเพนทานแม้ในบุคคลหรือในส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้ว อ, อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ในทางราชการมีใช้อีกคำหนึ่งว่าทักษินานุสรตัดบทเป็นทักศินแล้วก็อนุสอนอนุสอก็แปลว่าตามระลึกถึงแปรรวมกันเข้าความก็ไม่สนิทนัก ตามระลึกถึงทักษิณาต่อมาบัญญัติใช้ในความหมายถ้าทำบุญมีสวดมนต์มีเลี้ยงพระด้วยเรียกว่าทักษิณานุปทานถ้ามีแต่สวดมนต์มีบางสุมุขมีสดับปรกรณ์แต่ไม่เลี้ยงพระก็เรียกว่าทักษินานุสอนการบำเพ็ญทักษินานุปทานนั้นของพราหมณ์ไม่ค่อยยอมจะให้ขาดผ้าขาดอาหารคือจะต้องมีการให้ผ้าให้อาหารแก่พวกพราหมะในฝ่ายพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันจะทำให้บริบูรณ์ จะต้องมีทั้งผ้าทั้งอาหารและผ้านั้นในวิธีบำเพ็ญก็ไม่ใช้ถวายด้วยมือแต่ใช้ทอดให้พระบางสุกุลหรือสับกกรถ้าผู้ตายเป็นบุคคลสามัญก็เรียกบางสุกุลถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็เรียกสัตบกกรบางสุกุลเป็นชื่อของผ้าเก่าที่กล่าวถึงในนิสัยข้อที่หนึ่งว่านุ่งห่มผ้าบางสุกุลสับกกรแปลว่าเจ็ดคำพี เป็นชื่อของอภิธรรมที่มีเจ็ดคำพีเมื่อเวลาจะสวดศพนิยมเอาบทพระบาลีในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีมาสวดเมื่อถึงตอนชักผ้าก็ออกมาเป็นชื่อผ้าเป็นสตับปกรณ์มีได้สายศินหรือผ้าภูษาโยงจากศพหรือจากอัฐิมาข้างหน้าพระและเจ้าภาพก็นําผ้าไปทอดวางไว้บนผ้าภูษาโยงหรือบนได้สายสินนั้นและพระก็จับผ้าใช้มือขวาจับผ้า แล้วก็ว่าพระพุทธภาสิทธ์ปดบังสุขุนอนิจจาวตสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังอุปสมุสุขโขความสงบระ ง, งับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข ในฝ่ายพระธรรมยุตว่าเพิ่มเข้าอกคฐานหนึ่งว่าสัพเพสัตตามรณันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีมารีสุจะมริษเรตายไปแล้วก็ดีจากตายข้างหน้าก็ดีตะเทวหังมริษสามิตัวเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตัถะสังสโยุความสงสัยในเรื่องตายนี้ ไม่มีแก่เราคราวนี้เอาผ้าไปทอไปที่หีบศพ บ, บนเมรุเจเผาแล้วพระไปชักก็ว่าบทนี้แต่เรียกว่ามหาบางสุกุนเป็นเพราะใกล้ศพ้าไปมากสักหน่อยทอดผ้าภูสายโยงหรือสายสินนั้นใกล้ศพหน่อยในพระพุทธประวัติมีเล่า ว, ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานอุรุเวละกัสสปะที่ตำบนอุรุเวลาได้ทรงชักมหาบางสุขุนแต่ว่า ก็ได้ทรงทําเป็นวิธีอย่างนี้คือไปทรงชักผ้าที่ก็ห่อศพทิ้งไว้มาทรงซักย้อมทําเป็นจีวรสําหรับทรงครองในตำเนียมไทยเราบางแห่งก็มีเหมือนกันเอาศพไปไว้ในป่าหรือในสมถุมพุ่มไม้แล้วเอาผ้าไปไว้ในมือศพทําเป็นกระดานกลอไว้แล้วนิมนต์พระไปชักพอพระเข้าไปก็เหยียบกระดานกลนนั้นศพก็ลุกขึ้นนั่งทําท่าเหมือนจะถวายผ้าแล้วพระก็ชักเอามา แต่ว่าบางทีเขาไม่บอกให้พระรู้ถ้าขวัญไม่ดีก็แย่เหมือนกันวิธีชักผ้าบางสกุลนี้คงจะมุ่งสำหรับพระที่ถือรับผ้าบางสกุลเป็นวัดคือไม่รับผ้าที่ทายกถวายหรืออีกอย่างหนึ่งก็รักษาธรรมเนียมเก่าที่แปลว่าพระไปปลื้มเอามาจากศพเน่าๆทีเดียวแล้วก็นามาซักย้อมทำเป็นผ้านุ่งหม่มดังพระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาแล้วดังเล่าไว้ใน